กรร ม, มาวาจาลงโมหาโรปนักรรม446ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เมื่อภิกษุยกปฏิโมกขขึ้นแสดงอยู่ไม่ใส่ใจฟังให้สาเร็จประโยชน์ด้วยดีถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงยกโมหาโรปนักรรมขึ้นปรับภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อนี้เมื่อภิกษุยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ไม่ใส่ใจฟังให้สําเร็จประโยชน์ด้วยดีสงยกโมหาโรปนกรรมขึน้นปรับภิกษุชื่อนี้ถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการยกโมหาโรปนกรรมขึน้นปรับภิกษุชื่อนี้ถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงโมหาโรปนกรรมอันสงยกขึน้นปรับภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้น เป็นมติอย่างนี้